ตอ น, นี้ไปจะได้พูดธรรมะสู่ฟังธรรมะธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นฐาตไหนภาษาไหนก็นตามพูดตั้งหน้าตั้งตาอยากจะศึกษาหาความสุข ตายสุดใจมีสิทธิ์ที่จะระปฏิบัติตามได้ทั่วไปไม่เป็นธรรมสิทธของบุคคลผู้ใดเป็นธรรมสิทิ์ทั่วไปสำหรับบุคคลที่ตองตามธรรมะเหิดนั้นเราทุกท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ถ้าหาจะพูดแล้วก็เป็นโชคลาภของพวกเราอย่างยิ่งเพราะการเกิดขึ้นซึ่งธรรมะธรรมต่างสอนของพระพุทธเจ้ า, จานั้นเป็นของอยากลำบากอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ า, จ, าจะเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกแต่ละองค์ละองค์เป็นของอยากแสนยากและก็ไม่มีการอุบัติติดต่อกัน บางศับาบางการบางการบางสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาอุบัติตสาธุนในโลกเ <c oughs> มื่อพระองค์ไม่ได้อุบัติขึ้นทำคำสั่งสอนของพระองค์ก็ไม่มีไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะชี้แจงทางสุขทางทุกข์ให้เกิดนั้นจึงว่าเป็นโชคลาภของพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พระพุทธศาสานาถึงแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานนานไปขนาดนี้คำคำตัางสอนของพระองค์ก็ยังคงอยู่ให้พวกเราได้ตั้งหน้าต่างๆาศึกษาและประบฤติปฏิบัติตามแต่การศึกษาธรรมศึกษาตามสำหรับาําราโดยในตั้งหน้าประบฤติปฏิบัติยืิจัง ธรรมะนั้นก็ได้เพียงพันสัญญาคือจดจำเท่านั้นจะเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงจั ง, จ ง, จงยากเหตุนั้นวันนี้ที่พวกเราได้ไปปราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่ทำกงเทนหรือน้องแดงอาจารย์ทั้งสององค์นี้เป็นอาจารย์ที่หายากที่สุสามะเนนมีมากในประเทศไทยแต่จะ หาผู้ที่มีคุณธรรมอย่างครูบาอาจารย์ที่พวกเราไปกราบไปไว่าเหมือนอย่างวันนี้หายากหมื่นองค์แสนองค์จะมียังองค์สององเท่า น, นั้นเหตุ น, นั้นพวกเราที่ได้ไปไปศพพบเห็นท่านไปกราบไปไหว้ท่านจึงรับว่าเป็นมงคลแก่ตนของตน ซึงสมกับมงคลที่ทันว่าสมณานั้นจะทัดนาังคือการที่พวกเราได้เห็นสมณะผู้ระ ง, งับดับกิเลสได้เป็นมงคลแก่ตนของตนบุคคลที่ไปเห็นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมีความพอใจในการเห็นของตนในการส่าการวลายของตนบุคคลนั้นจะมีตาสว่างสวัย เพราะได้เห็นท่านผู้ดีวิเศษและจะมีใจสว่างสวัยเมื่อ เ, เลิกนึกได้ทิงการฝากการบ่ายหรือการใดดูได้เห็นท่นทนทานจิตใจของเราจะเยืยอกเย็นเพราะเห็นท่านที่เยือกเย็นเป็นสุขเหตุ น, นั้นวันนี้จึงเป็นมงคลอันประเสริฐสําหรับพวกเราที่ได้ไปฝากไปว่าไปพบปะเห็นท่าน ยิ่ควรปลื่มอกปลื่มใจในการไปดูไปเห็นของตนบุคคลที่จะไปดูไปเห็นมีความเชื่อความเรื่อมใสความพอใจอยากไปกาวไปว่าหายาวิชัยหละคนเข้าไปวัดไสว่าจะไปหารูบาอายการหรือไปดูการประพฤตปฏิบัติของท่านหรือไปฟังทมคำสั่งสอนที่ท่าน อุตสาพยายามต่างหน้าตั่งตาสอบพฤติปฏิบัติมาอย่างนั้นทั่วไปโดยส่วนใหญ่ที่เขาเข้าไปวัดไปวาก็ไปทัศนาจรไปดูไปเล่นไปเพลินต่างๆแต่นี้พวกเราไปหาครูบาอาจารย์วันนี้ท่านก็อโปรดเมตตาแนะสอนพวกเราอีกเหมือนกันทำแนะนำสั่งสอนของท่านคนที่อยู่ต่าง ห้ากันก็คงจะเข้าใจยากอีกเหมือนกันวันนี้ท่านอาจารย์่้ำท่านแนะนํา่รำสอนถึงปฏิปทาการประทปฏิบัติของท่านยึดตามอยู่เป็นสุก ข, ของท่านท่านเล่ามาแต่ท่านเป็นเด็กจนกระทั่งเข้ามาบวชเมื่อบวชแล้วอุตสาพยายามตั้งหน้าตั้งตายืดเลื่อยแสวงหาที่ประกอบ คามถ่าความเปียนท่านมาแต่อายุยังหนุ่มยังอ่อนไปสฐานที่ใดก็พอไปได้สะดวกกายสบายใจแต่โรคภัยเดือดเดียนมาแต่ไหนแต่ไรแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กปุ๊บโรคภัยเดียดเดียนมาท่านมาบวชแล้วออกเดินผู้ ด, ดงสมาฐานท่านว่าท่านเป็นโรคนี้อยู่มีความเจ็บปวดแต่ก่อนไม่มีรถ ไปสถานที่ใดจะต้องเดินไปในนี้รถนัาบางข้างบางหนโลกนี้อย่งมันรบ ก, กวนไปปัสสาวะนี่จะเลือดออกมาแดงหมดทันว่าใจหักไปแล้วก็สอนตัวว่ากลัวตายยังแค่นี้ยังไม่พอยังเลือดมันออกขนาดนี้มันยังเพิยดยังเทิ ย, ยัง ติดยังคล่องยังพอใจในโลกในสงสารอยู่ให้มันหนักเข้าไปกว่านี้ดีกว่าท่านลเลยยกนึกอย่างนั้นแล้วตั้งหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติกันจริงจรงจังๆถึงโรคใครไข้ไเจ็บจะเดือดเดียนขนาดไหนท่านก็อุตส่าห์พยายามจะทําตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามุ่งหน้ามุ่งตาอยากจะออกจากวัฏสงสารนี่ใช่ว่าโรคใครไข้เจ็บเกิดกขึ้นแจะวิ่งหา หมอมาเยายาหรือจะอยู่เป็นที่เป็นฐานอย่างสะดวกสบายท่านในเอาอย่างนั้นท่านองค์นี้ตั้งแต่อายุของท่านยังอ่อนท่านยังไปมาสะดวกอยู่ท่านไม่เคยจำพรรษาทําที่จําปีนี้แล้วก็ออกพรรษาก็เดินทุดงไปที่ใหม่นานปีจึงวกวนมาจําสถานที่เก่าท่านเคยทำอย่างนี้ตลอดมา แต่ที่ท่านไปจำไปจําที่กวกคือไปทำองคเพนเนี่ยไม่กี่ปีมาที่ท่านอยู่เป็นที่พออายุท่านแก่ท่านอุตส่าห์พยายามจะทําคุณงามความดีอย่างจริงอย่างจังอาจารย์องค์นี้การแนะนําทําสอนเด็กป่าไม่ค่มากเหมือนอาจารย์องค์อื่นแต่ท่านสอนพวกเราด้วยการจะทําเท่าขนาดนี้แกขนาดนี้เนี่ยเดินจงกลม บางคืนตลอดคืนนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระสามสี่ชั่วโมงก็ไม่หยุดอุตส่าห์พยายามทำจริงจริงจังจังเป็นน้าอาจาร์ที่ท่านอุตส่าห์แนะนำทางกายของท่านชักจูงลูกติดลูกหาที่ไปชักพาอาศัยทําจิดทาใจขอ้งท่านให้แข็งแรงไม่อ่อนแอ ทำอะไรทำจริงๆริงจังการพูดธรรมะธรรมโมธาหัดลูกศิลุกหาสัดข้องในการภาวนาทางจิตทางใจท่านก็บอกท่านก็สอนแต่จะให้ท่านสอนเรื่อยๆไปอย่างอาจารย์องค์อื่นท่านไม่เคยสอนถ้าหาดขัดข้องทางจิตทางใจท่านต้องสอนท่านเป็นอย่างนี้ปตจิแตแทาของท่านถือการปฏิบัติเป็นของสําคัญ การสอนท่านเนี่ยคยถือหนักแน่นสักเท่าไรแต่ท่านก็ไม่ขาวันพระทุกวันพระไปท่านจะต้องมาประชุมกับหมู่กับคณะถ้าท่านลุกเดินได้ก่านตรงมาหรือป่วยอดแอดขนาดพอมาได้าบางทีก็นั่งรถมามาประชุมกับหมู่นั่งฟังเทศฟังธรรมโดยส่วนใหญ่ก่อนให้พระลูกวัดเทศเมื่อท่านเทศ ไปผ่องจิตติใจของท่านในธรรมบทใดที่อธิบายไปพอพระลูกวัดลงจากท่านท่านมาดไปท่านั้นท่านก็เอ่ยธรรมะขึ้นต่อสอนวกิสุสา ม, มาเณรลูกบาศกุบากิตาท่าทนไม่เคยขาดในการประชุมเป็นอย่างนี้ท่านเป็นผู้ดีวิเศษน่าบูชา ถึงอายุแกขนาดนั้นก็ยังนำพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติให้ได้กราบได้ว่าอุชาอยู่ในสถานที่กันดานคืออยู่เขาท่านไม่อยู่ตามบ้านตามช่องบุคคลที่นิมนต์ท่านเข้าไปบานใจช่องท่านไม่ค่อยเข้าไปเหมือนองค์อื่น ชอบอยู่ตามป่าตามเขาแต่ไหนแต่อะไรมาเรียกว่าท่านวางปฏิปทาให้พวกเราที่เป็นติตยาโนสิตถือเอาแบบอย่างของท่านการอยู่ป่าการตั้งหนา้าตั้งตาภาวนาอย่างท่านอาจารย์เกยดออกสื่อมานเป็นของยากโดยส่วนมากไปติดสุขเรืืองอาเมี้ยพอราศการะเกิดขึ้น ลืมมีผู้นับหน้าทีตาก็เลยลืมการภาวนาการเข้าป่าเข้าดงทือว่าการเข้าป่าเข้าดงการเดินจงกรมภาวนาการมีเวลาเป็นของฟ่องสนไม่เป็นของสําคัญมมกอยากเป็นไปอย่างนั้นเหตุนั้นช้าที่ว่สมณะก็มีหลายภักหลายพวกหลายหมู่หลายเราเราจะเห็นด้วยตาเนื้อของเรา ก็เห็นเยียงภายนอกของฉันเท่า น, นั้นธรรมดาคนที่เขาไปสู่กันไปหากันจริยามารยาทหรือคาเสียหายโดยส่วนมากไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือไม่อยากจะทำให้เขาเห็นเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไปอยู่ร่วมกันนานวันนานคืนนานเดือนนานปีเขา้าความประพฤีิเขาเจ็บ เอาไว้ทางสั่วช้าลามกจะต้องโผลอ่อมาให้คนอื่นเขาเห็นเช่นที่ไม่ชอบอกสิตใจของผู้ไปร่วมคนชนิดนี้หรือพ่จูชนิดนี้เคยมีมากเพราะไปพบกันใหม่ๆก็ทำศิลิยาถ่าีดีงามทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่พบกันนานเข้าศิลิยาเมลยาาเหล่านั้นหายไปหมด เอาสินิยาของเดิมที่เขาเคยมีอยู่ในใจออกมาชัดพบกันไปไม่นานวันจืดจางอย่างภาษาสมัยใหม่เพราะว่าพักสี่ร้ยหน้าหรือหน้าหลังลงรักทักติดทองที่เพราะว่าเป็นแบบนั้นแต่ท่านอาจารย์ที่เราไปฝาไปว่าไม่เป็นอย่างนั้นจะ เราอยู่กับท่านนานไปเท่าไรยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพในท่านเรื่อยไปเพราะท่านประพฤติดีประพฤติชอบเสมอต้นเสมอปลายไม่หน่าไม่หลังหลอกแน่อ่ะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างนั้นเหตุนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้ไปฝากไปไหว้ไปดูไปเห็น ยิ่งเป็นสมานานั่นจะทัศนังคือเป็นมงคลแก่พวกเราที่ได้ไปดูไปเห็นไปฝ่าไปว่าแต่มงคลที่ว่าสมนานันจะทัศนังการเห็นสมณนะเป็นมงคลอย่างยิ่งสมณะเหล่านี้ก็ททำคุณงามความดีคือให้เราระลึกนึกถึงเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความ เ, เยือกเย็นจิตใจแต่จะป้องกันอบายภูมิ ทั้งสี่ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะสมณะภายนอกสมณะภายในคือการเห็นความสงบระงับดับจากที่เหลยอปัญหาจากมานะชิติซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเรานี่แหละเป็นสมณะสำคัญบุคคลผู้ใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเห็นสมณะภายในคือจิตใจของตน ร, งรวมรวม มีความสว่างสวยมีความสงบจากเรนจากภัยต่างๆสมณะอันนั้นผู้ใดได้พบคาสมาคมผู้ใดได้จ เ, เห็นด้วยตนของตนในการตระพฤติ ป, ปฏิบัติเป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดจะเกียบถึงได้พอเห็นสมณะภายในเท่านั้นจะต้องกันอบายภูมิทั้งสี่ได้ มีความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจเกิดศรัทธาภาษสาทะเกิดมิรยะความภาคความเพียนขึ้นเพราะสมณะภายในเป็นสมณะที่น่าเชื่อน่าเลื่อมใสน่ากราบน่าว่าะบุคคลในโลกจะเสมอสมณะภายในคือใจของเราสงบระงับดับจากความ ลงแต่งไม่ได้เหตนั้นเราทุกท่านสมณะภายในมีด้วยกันผั่วไปแต่เถ้าว่าเราจะประสบพบเห็นสมณะภายในก็ด้วยการตั้งอกตั้งใจปฤฏิบัติถ้าหากไม่ปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเข้าไปหาสมณะอย่างนั้นได้ เสีนั้นการตั้งหน้าต่งตางๆประพตาปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายจึงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติให้เห็นสมณะคือความสงบระงับดับเสเ้ยดภายในตัวของตัวไม่ควรจะอ้างการอ่างเวลาหรือไม่ควรจะไปโยนความดีไปไว้ข้างหน้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ กำจัดมันเทียบเรื่องความสั่วช้าลามกนิสัยนิดที่จะให้ความสุขอย่างสนิทสนมในจิตในใจของเราส่วนสมณนะคือความสงบสงัดเกิดขึ้นจากการ ป, รปฏิบัติเป็นนิดอย่างยิ่งที่จะนำความสุขความจเจริญมาให้แก่ตัวของตัวจะไปในใสถานที่ใดถ้าหาดมีสมณนะ คือความส ง, งบระ ง, งับดับบาปภายในจิตในใจของตนจะมีความเยียบเย็นเป็นสุขมีสะนะ่หะมีที่พึ่งแต่ตนของตนจะล่มหายตายไปการใดเสมอไหมใดไม่มีความเสียอกเสียใจว่าวันเวลาที่เราล่มหายตายไปนี้เรายังห่วงคุณงามความดีั้างหน้าเพราะสมานะคือความระ ง, งับดับกิเลสของเรามีแล้ว จะไปสถานที่ใดจะตายการใดสมัยใดจะเป็นเด็กเป็นเล็ ก, เ ป, เ, ลกเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กว่าตา่างคุณงามความดีที่เราประสบพบเห็นที่เราก็ะพฤตปฏิบัติได้หมดปัญหาในการไปการอยู่เพราะเราจะอยู่ไปตั้ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีกว่าตา่างคุณงามความดีที่จะวิเศษไปเสริอมขึ้นกว่านี้ไม่มีจะอยู่ไปก็ลำบากในชาตในขัน เพราะธาตุขันธ์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับพาระหน้าที่ดูแลรักษามันแต่ธาตุขันธ์อันนี้ถ้าหากเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรู้จักธาตุขันธ์จริงจังจนจิตใจอย่างทาบ ถ, ถึงความบริสุทธิ์ที่หลุดไปจากธาตุขันธ์หรือเป็นวิวัตรารู้ไปจากชาตุเจนเห็นแจ้งในตนแล้ว ภาตุขันจะแตกสลายทำลายใจเมือ่อใดไม่มีการเสียใจยคนเราร้องไห้เสียใจยก็เพราะเห็นว่า้าหากอยู่ไปนมนานเราจะได้ทำการประพฤติปฏิบัติได้รับคุณงามความดีเทวีคูณขึ้น้าหากบุคคลผู้ใดตั้งหน้าตั้งตาปรับพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านหลุดพ้นไป จ, จากความห่วงใยอะไรคือกิเลสตัณหาสิ้นไปหมดไปภายในใจของท่าน ท่านไม่มีการห่วงหน้าห่วงหลังท่านไม่มีการเสีย อ, อกเสียใจเพราะร่างกายแตกสลายไปเหมือนกันกับว่าอาหารซึ่งเรารับประทานอยู่ถ้าเรายังไม่อิม่มมีคนมายกภาชนะอาหารออกจากหน้าจากตาเราไปเราจะต้องเสียใจหรือเรากำลังจะรับอาหารมีคนอื่น ชุดเราไปดึงเราไปจากภาชนะอาหารเราก็เสียใจแต่ถ้าหากว่าเราอาหารนั้นเรารับประทานอิน่ำำนหนำําราญแล้วมีคนยกออกไปจากหน้าจากตาของเราเราตับดีใจเพราะเขาจะไปเจ็บภาชนะนั้นให้แกเราเราไม่มีการเสียใจฉันใดก็ดีอัตภาพร่างกายของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าหญิงว่าชาย ถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาะพืตอปฏิบัติกาจัดกิเลสตัณหาออกจากตนได้จนถึงความบริสุทธิ์ยมุติิพานแล้วการเสียอกเสียใจในการอยู่การไปของท่านห น, นีเหตุนี้จึงขอเชิญพวกท่านทุกคนตั้งหน้าฝึกฝนอบรมจิตของตนปฏิบัติกาจัดความทั่วออกจากตัวของตัวจนไม่ติด ในความดีและความทั่วซึ่งเรียกว่าวัตตะจิตพ้นไปจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมีความสงบระ ง, งับมีความสุขความสบายซึ่งเรียกว่าสมณะภายในมีอยู่ประจำตัวของตัวอย่างนั้นพวกเราท่านทางหากไปถึงจุดวิมุตนิพพานเห็นสมณะ ที่ระ ง, งับดับกิเลสตัณหาอย่างนั้นจะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนที่จะเสีย อ, อกเสียใจในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาจะไปร่มหายตายในระยะใดก็ไม่มีการเสียใจอย่างนั้นเพราะความปรารถนาของเราเพราะความมุ่งหวังของเราที่ได้มีชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอุตส่าห์พยายามจะทาตามโอวาทของพระพุทธเจ้า จนถึงที่สุดลิมตินิพานแล้วไม่มีการเสียมสลายไม่มีอะไรที่เราจะปานะ่าทะนาอีกต่อไปบ่าอยู่ไปจะมีความสุขหรือได้ความสุขอย่างนั้นอย่างไม่มีในจิตในใจของท่านเพราะความสุขนั้ น, น, นได้ไประจกักษ์ชัดเจนเห็นแกงขก้นจากกา ร, ป, รปฏิบัติของตนเหตุนั้นจึงไม่มีการเสียอกเสียใจ ในการเกิดการเป็นอยู่และการดับไปของท่านเกิดนั้นเรื่องพวกเราทั้งหลายที่จะเข้าไปถึงได้ก็อุตสาห์พยายามตัง้ตงใจตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติไปกําจัดกิ่เละตันหาทีเนิดทีหน่อยทีเล็กทีนะ้ออุตสาห์พยายามกาจัดไม่หยุดไม่ถอยผลที่สุดก็หลุดไปจากกีเละตันหาได้ท่านอาจารย์ใหญ่ทำกคงเพลวันนี้ท่านพูดถึง ภาษาเชียงใหม่จีกว่าต้นใสเมื่อมาอาศัยเมื่อที่แรกน้อยอยู่ก็มาอาศัยเมื่อใหญ่มาก็ขาเขาตายธรรมดาต้นโพต้นใสเป็นอย่างนั้นจะต้องอาศัยต้นไม้อื่นเกิดขึ้นบางทีนกกินมาถ่ายอจจาะใสขาคพบของต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากที่นั้นแหละพอเกิดขึ้นใหญ่โต ขึ้นตามลําดับรากของต้นไทรก็หุ้มต้นไม้อันอื่นผลที่สุดไม้อื่นไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้อากาศหรือได้อาหารก็เลยตายไปแต่ต้นไทรไม่ตายยังตั้งโดอยู่นั้นต้นไทรเป็นอย่างนั้นอาศัยการเกิดขึ้นจากต้นอื่นและก็เติบโตและฆ่าต้นอื่นให้ตายการตร่อพืชตายต่อพืชใจของเราต้อให้ต่อพืชอย่างนั้น อาศัยกิเลสตัญหามานะทิชชี่นี่แหละเป็นที่เกิดแต่เราก็กำจัดเรื่องกิเลสปัญหามานะทิชชี่ไปทุกสร้างทุกทีผลที่สุดจิตใจของเราถึงมีมดกิเลสปัญหากว่าตายไปเองความบริสุทธิ์ก็ตั้งโดอยู่ได้ถ้าหากเราก็ะพฤติปฏิบัติอย่างส่วนโฟต่นไสเราจะมีใจ ดีเด่นคนที่ไม่มีกิเลสปัญหาคนที่ไม่มีราคะภายในจิตในใจอาจารย์ใหญ่ท่าติจริงพูดวันนี้คนที่เกิดมาไม่มีอวัยวะบริสุทธิ์แข่งผาด่วนเสียหายหูตาบอดหรือตึงไปทางสาีวิในพันห้าไม่ให้บวชคนที่มีอวัยวะบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกส่วน ทางกิเลสปัญหามาณทาิผิ์ก่อเต็มผี่เต็มฐานคนนั้นแหละพระพุทธชาเจ้าอนุญาตให้บวชเพราะคนชนิดนั้นจะได้ชาระเรื่องความสว่วช้าลามกที่เขามีอยู่ในจิตในใจของเขาให้ถึงความบริสุทธิ์เหตุนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาคนเป็นบันเดาะหรือคนเป็นแต่เธยหรือคนถูกตอนผันจริงห้ามไม่ให้บวชในพระพุทธศาสนา ส่วนผู้ที่มียิเลตันหาราคาโทสะโมหะเต็มเตี่ยมอยู่ในจิตในใจท่านอนุญาตให้บวชเพราะจะได้สำลัก ส, สัตยังส่วนนี้ยิ่งใจเห็นผลคุณงามความดีได้ถ้าหากบกช่องส่วนใดส่วนหนึ่งทางภาริณายกไปอนุญาตให้บวชเป็นอย่างนั้นมีเราท่านก็มีช็อปพอบอลีบูนทุกสิ่นทุกส่วน เรื่องของกิเลสตัณหามานณทิฏฐิหรือก่อเต็มที่เต็มฐานส่วนร่างกายของเราก่อสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการไปเหตุนั้นเราจึงตั้งใจจะ ท, ำำทําบําเพ็ญเหมือนกันกับเรามีที่สวนสมบูรณ์ดีอยู่แล้วเราจะปลูกอะไรฝังอะไรลงไปก็ปลูกได้ฝังได้ถ้าหากเราไม่มีที่อยากจะปลูกกับเขาก็ปลูกไม่ได้ นี่เรามีกายมีใจและรรทำทีในสิ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้ประพฤติธปฏิบัติมีอยู่เราชอบอยากจะไปสถานที่ใดเราก็พึงตั้งใจประพุทธปฏิบัติให้ถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงฐานอย่าไปเป็นคนลังเลสงสัยว่าเราเป็นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยพระพุทปฏิบัติ ไม่เซนไม่ไปอย่าไปสงสัยอย่างนั้นถ้าหาประพฤติปฏิบัติจริงจงจั ง, จ, ง, จ, งจะไปได้ถึงขีดถึงฐานได้พระพุทธเจ้าและสาวกของพระ อ, องค์ท่านมีอะไรแตกต่างจากกันกับพวกเราพูดถึงอวัยวะทุกสิ้ น, ท, นทุกส่วนก็เหมือนกันกันกบพวกเราแต่เสดใดยายเล่าท่านจริงปฏิบัติตัวของท่านให้บริสุทธิ์ได้ เราทำไมจึงจะเป็นคนอ า, าพาบาสนาตั้งแต่ตัวของเราคนเดียวการที่เราเหมาตัวว่าไล่วาสนาเป็นคนบุญน้อยบาสนาน้อยทําให้จิตใจของเราย่อหย่อนไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติถ้าหากระลึกนึกว่าเราก็คนคนหนึ่งถ้าบุญวาสนาไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาอันนี้บาสนาของเรา สมบูรณ์พูนสุขดีแล้วเราจึงได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสานาและมีศรัทธาคว า, ามเชื่อความเรื่อมใสในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถใครเ่าเขาจะสามารถเราต้องระลึกเลึกคิดอย่างนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้ง ต, า, งตาทากันจริงๆจังจริจรจรจรการถือพระพุทธศาสานาอย่าไปถือเอาเทียงผิวเผิน ไถือจริงจริงจังๆทำจริงจริงจังจังจึงจะเห็นผลเกิดขึ้นภายในตนของตนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนอาภัพวาสนาเพราะเหตุว่าถึงจะมีะไร่มีนามีเรียกมีสวนอยู่ก็ไม่ปลูกฝังกิดผลอะไรจะไปตั้งนี้โทษเอาว่าไรนาเรียกสวนของตนไม่เกิดพืชเกิด ผ, ผลก็ไม่ได้เพราะเราไม่ปลูกฝัง พืชผลลงไปพืดผลก็ย่อมไม่เสียดอกออกผลให้นี่เรามีกายมีใจถ้าหาเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นเหตุนั้นจงพากัน ต, ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเหมาตัวว่าเป็นคนอาภัพวาสนาะไปที่ต้นตายก่อนใครไม่ใช่สัตบูรุษเหตุนั้นการประพฤติปฏิบัติตทำ จึเป็นของสำคัญหมู่พวกเป็นของสำคัญอันหนึ่งสถานที่เป็นของสำคัญอันหนึ่งอาหารการบริโภคเป็นของสาคัญอันหนึ่งอาริยป้าอาจา์เป็นของสำคัญอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสัตา a i r w i s สัต p a i r w i s หาทัพพวกที่เราอยู่ร่วมกันเขาไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอะไรเราจะทำลงไปเียงเราคนเดียวก่ละอายเขา หรือไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะทำเอาเลยเขาผู้คุยอะไรเราก็จะต้องผูดคุยไปตามเรื่องของเขาเศษนั้นทัพพวกเพื่อนฝูงจึงเป็นของสาคัญหากมีหมู่มีคณะทัพพวกตัางหน้าต่างตาประกอบคุณงามความดีหากเพียพรพยายามจะทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่สม่าเสมอไป เราไปอาศัยเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเราจะนอนขบนอนฉันอยู่ตั้งแต่เราคนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อวัดปฏิบัติไม่เดินจงกรมเาวานาเราก้อละอายเขาจาเป็นเราต้องทำตามเขาเหตุนั้นพักพวกเพื่อนฝูงจึงเป็นของสำคัญถ้าหากไม่อย่างนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้พวกที่เล่าก็มีที่เล่าเนปะ็นพักพวกของเขาพวกที่ซึ่งที่ยา ตั้งตาก็เหมือนกันพืชผลอะไรจะไปตั้งนี้โทดเอาว่าอะไรมาเอื้อสวนท้องสนไม่เกิดพืชเกิดผลก็ไม่ได้เพราะเราไม่ปลูกฝังพืชผลลงไปพืชผลก็ย่อมไม่เกิดดอกออกผลให้นี่เรามีตายมีใจถ้าหากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาต่อพืชปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นเหตุนั้นจงพากันตั้งหน้าตั้งตาต่อพืชปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเหมาตัว ว่าเป็นคนอาภักดนะแต่ดีตนตายก่อนใครไม่ใช่สัตบุตรเผดนั้นการประเพฤติปฏิบัติทำจึงจนของสํามพันหมู่พวกเป็นของสํามพันอันหนึ่งสถานที่เป็นของสามพันอันหนึ่งอาหารการบริโภคเป็นของสํามพันอันหนึ่งอาลิ ป, นนาป้าอาตาเป็นของสามพันอันหนึ่งพระพุทธเจ้าถือว่าสัต p a i r w i s สัายะ i r w i า e พรหาภัพขพวกที่เราอยู่ร่วมกัน เขาไม่ตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติอะไรเราจะทำลงไปเียงเราคนเดียวก่อละอายเขาหรือไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะทำเอาเลยเขาผู้คุยอะไรเราควรจะต้องคูกคุยไปตามเรื่องของเขาเกิดนั้นท้าทัว่วเ่ินผูงจึงเป็นของสำคัญหามีหมูมีคณะท้าทั่วตั้งหน้าต่างตาประกอบ คุณงามความดีผาดเพียรพยายามจะทำตามโอวาทของพระพุทธเจา้าอยู่สม่ำเสมอไปเราไปอาศัยเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเราจะนอนขบนอนฉันอยู่ตั้งแต่เราคนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อวัดปฏิบัติไม่เดินจงกรมภาวนาเราก่อละอายเขาจำเป็นเราต้องทำตามเขาเหตุนั้นทัก พ, พวกเพื่อนผุงจึงเป็นของสำคัญ ถ้าหาไม่อย่างนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้พวกที่เล่าก็มีที่เล่าเป็นพรกพวกของเขาพวกที่สินจียากันตาเสมือนกันพวกนักปราบก็มีนักปราบเหมือนกันเหตุนั้นลูกศิษนลูกหาหรือครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเช่นพัดตามทำดีในลูกศิษยลูกหาภายในวัดของท่านก็หน้าดูหน้าปราบหน้าว่าเพราะท่าไม่ทําตามคาแนะนําำตำสอนของท่าน ท่านก็นไล่หนีไม่ให้อยู่ในสถานที่ของท่านเรือนนั้นหมู่คณะจนะึงเป็นของสำคัญควรพวกเราทุกท่านจะเลือกเส้นจัดสัรปั่นหาคนดีเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอย่าไปกลัวท่านดุท่านด่าท่านว่าท่านเ่ า, า, าธรรมดาเหล็กถ้าหากเราไม่เผาไฟหรือไม่ลงททเนินเสีย ก, ก่อน จะไปหล่อไปหลอมอะไรหรือจะไปทําเป็นนี่เป็นทาไม่ได้เดชจะกล้าได้ก็ต้องผ่านเตาไปเสียก่อนฉันใดพวกเราทั้งหลายที่จะมีความกล้าหาญต่อต้านกับเรื่องที่เดชตันหาก็ต้องต่อสู้หรือหากเพียรพยายามอุตส่าห์บังคับกายบังคับใจอยู่กับ ดูบาอาจารย์ที่ท่านดู ด, าาด่าว่าเ่าเป็นปกติถ้าหาท่านมีเมตตาสงสารท่านจะดู ด, าาด่าว่าเปล่าเลื่อยไปถ้าหาท่านปล่อยทิ้งบางทิ้งถือว่าเป็นคนอื่นท่านก็ไม่บอกไม่สอนไม่ดูไม่ดา่ายิ่งท่านรักเท่าไรท่านก็ยิ่งดุเราใหญ่เท่านั้นเพราะเราไปทําขั่วเสียหายท่านกลัวเราจะเป็นคนขั่วเสียหาย หรือตัวเราจะทุกข์ยากลําบากเช่นบิดามารดาของเราถ้าหากพูดอะไรสอนลูกลูกไม่ทาตามหรือลูกฝา่าศีลดีดามารดา่อมีการดา่าการเฉียดกันตีเป็นธรรมดาแต่ลูกคนอื่นเขาทําอย่างนั้นท่านไม่ว่าวางเฉยได้นี่คือลูกคนอื่นถ้าลูกเกิดจากม้าอวบข้องตน ท่านจะต้องรักษาพยายามแนะนำทำสอนในทางดีเสมอไปเราไม่ทำตามมีการบ่ากล่าวหรือเปี่ยนตีแต่ท่านเปลี่ยนตีพวกเราไม่ใช่ว่าท่านอยากจะให้พวกเราผิดหาัท่านอยากจะให้เราเป็นคนหยิบคนดีมีอาหารการกินซึ่งมีรสชาติอร่ดอร่อยมีดามันดาจะต้องแจกให้บุตรของตน รับประทานถึงท่านอดอยากท่านก็อดเอาท่านในยอมอยู่ยอมกินอาหารประเภทนั้นอยากจะให้ลูกของตนได้รับประทานอาหารถืออร่อยหรือเงินทองเข้าของทุกสิ่นทุกอย่างที่ต่นหามาอุตสาพยายามขวัญขวายตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเป็นข่อของคนแม่ของคนท่านจะมอบสมบัติส่วนนั้น ใจลูกของท่านนิชัยจะไปมอบให้คนอื่นฉันใดคทูบาอาจารย์ที่ท่านดูด่าว่ากล่าวพวกเราทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันท่านมีความเมตตาสงสารท่านถือว่าเป็นผิทของท่านท่านจึงดูด่าว่ากล่าเราจะไปกลัวท่านดูด่าว่ากล่าวอย่างนั้นเราก็ไม่มีวิชาสำรู้จะเป็นคนบดีคนดีไปอีกไม่ได้เหมือนกันกับเด็กที่ไม่ผ่านเตาไฟไม่มีวันกล้า ไม่มีวันดีเส้นมีเป็นผ้าเป็นขวานใจในดักต้องผ่านเพื่อก่อนเขาลงท่านเนินก่อนลงเพื่อจะให้เร็สนั้นนั้นทำเลสเป็นผลเป็นประโยชน์นี่ใส่เขาตีให้มันเสียมันหายมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ําสอนพวกเราทั้งหลายก็ทํานองเดียวกันเหตดนั้นการที่ท่านดูด่าว่าเปล่าถ้าหากเรามาลึกได้ท่านมีความเมตตาสงสารท่านยังรักเรายังเมตตาเราท่านจึงบอกจึงสอนจึงดุจึงดา่า ถ้าหาเราละเลอกได้อย่างนี้ก็มีความยินดีปลื้มใจในการรับโอวัลทำสั่งสอนของท่านถ้าหาเราคิดห่าท่านดุท่านดา่าท่านโกรธท่านไม่ชอบเราเลยกลับไปติดสินมินพาที่จอยู่กับท่านไม่ได้เมื่ออยู่กับท่านไม่ได้คุณงามความดีท่านก็ไม่ได้แนะให้ไม่ได้สอนให้ก็เลยเป็นคนเกเรเจตะเสี ย, ย, ยสหายไป เกิดนั้นเรื่องการอยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่กับท่านผู้ดีดผู้ดีเราจะต้องตั้งหน้าต่งางๆประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของท่านอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราจะดิีจะดีไปโดยลําพังตัวของเราเองเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าฝ่ายโลกหรือฝ่ายธรรมจะต้องอาศัยบุคคลผู้อื่นแนะนําำทำสอนแนะคือการบอกนําคือการกระทํา สอนทั้งสิ่งที่ผิดสอนทั้งสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดท่านห้าสิ่งที่ถูกท่านสอนให้จะททำมมเห็นตามผู้ใดเป็นภาชนะสำคัญสำหรับรับโอวาทของท่านอย่างนั้นจะเป็นคนไม่จนสติไม่จนปัญญาไม่จนวิชาความรู้จะเป็นคนดีคนดีสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ หน้าฝาบหน้าว่าหน้าสัจระบูชาเหตุนั้นเราเข้ามาบวชอยู่ในเทพบุทราศาสนายาเป็นแบบที่ว่ากาฝากธรรมดากาฝากถ้าหากไปจับต้ น, มนออไนม้ต้นใดพออาศัยต้นไม้ต้นนั้นแหละยึดต้นไม้ต้นนั้นเป็นอาหารกินกันไปอยู่อย่างนั้นผลที่สุดเมื่อต้อนไม้ตายกาฝากกลัวต้องตายไปเดือดใส่ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเหมือน สวนโฟตนใส่ถ้าหาส่วนของเขาตายไปเรายังตั้งโดอยู่ได้ยังมีมีการศึกษาธรรมะคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เราจะศึกษาได้ก่อนในสมัยเราเป็นผู้เล็กผู้น้อยอยู่ต่อเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ผู้โ ต, โตขึ้นมาครูบาอาจารย์จะแนะนำคำสอนอะไรตบเพลงใจลูกัวลูกติลูกหาผู้เล็กเด็กแดงก็จะดูถูกหน่งทางเหุนั้น ในระยะที่เรายังมีพรรษาน้อยอยู่เรายังเป็นผู้เล็กเด็กแดงอยู่เราจะต้องอุตสาห์เข้าหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงยังนามในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปกลัวท่านดุท่านดา่าอุตสาห์พยายามตั้งหน้าต่าง ต, า, งตาประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของท่านเพราะการเป็นผู้น้อยอยู่ในรลมเงาของท่านได้รับความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่าง การที่จะอบรมและสอนหมู่คณะรับผิดชอบเรื่องของวัดของวาของหมู่ของคณะก็ไม่มีญาติโยมมาจากทีกต่างๆก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์พวกเราที่เป็นผู้เล็กเด็กน้อยก็คคอยแต่รับท่าคอยรับใช้ทันเท่านั้นไม่มีการที่จะนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นเพียดนั้นกานรก็เพื่อปฏิบัติของเราจึงเต็ม ทำได้เป็นผี่เป็นฐานไม่เหมือนการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากเราไม่ได้กำลังสิตกำลังใจในเมื่อเราเป็นผู้เล็กเด็กแดงอยู่ในอ้อมแขนของครูบาอาจารย์เลเติบโตขึ้นมาภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่ ง, ท, ง, ท, งทุกอย่างมากขึ้นลำบากขึ้นเราในสมัยเรายังเป็นลูกจิต ของท่านอยู่ยังเป็นลูกวัดอยู่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยพยายามรักษาเม่จะทําคุณงามความดีเมื่อเติบโตขึ้นมาหน้าที่การงานหรือเรื่องต่างๆมากขึ้นแต่ถ้าหากผู้ฉลาดพอศึกษาจากตำหลับตำลาหรือสูบาอาจารย์ได้เต็นที่เป็นฐานแหละแต่จิตใจของเรายังไม่เป็มไม่ไปพออุชาหพยายามปรีก จากหมูจากคนะไปหาภาวนาในสถานที่สงบเงียบในที่คนไม่ทุกข์ท่านในสถานที่คนไม่เกี่ยวข้องกับเราส่วนอาหารการกินหรืออะไรทั่วไปเราไม่ถือเป็นสำคัญกว่าการปฏิบัติทางใจผู้ที่ตั้างหน้าต่างตาปฏิบัติอย่างนั้นพอเป็นไปได้ถ้าสงสัยอะไรถ้าข้องภายในใจโปรดลงมาศึกษากับท่านอีกท่านแนะให้สอนให้ ต่อไปปฏิบัติใหม่จนได้จนถึงความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลเป็นอย่างนี้จึงมีพระอริยะบุคคลมากสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมักอยาจะไปเที่ยวเยเลเจจหาเรื่องอันอื่นซึ่งเป็นของยุ่งใจมากกาการจต่ชระสรัตย์สังเกต น, นั้นจิตใจของพวกเราเราท่านทั้งหลาย จึงเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเป็นไปเพื่อความขุ่นมัวเดือดร้อนเพราะเรื่องการปฏิบัติของพวกเรากับการปฏิบัติของทาริยเจ้าปางแสตมัยพุทธการผิดกันเหตุนั้นเรื่องาาพระเจ้าประสงค์จึงเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านจะต้องสแสวงหาครูอาจารย์ที่สําคัญไม่ใช่ว่าเป็นพระก็จะเสมอกันไปหมด พระตัวต่างพระสมณะตัวต่างสมณะเหตุนั้นผู้ที่มีสติปัญญาไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมผู้นั้นจะไม่ขาดทุนสุญกําไรคนที่ไม่มีสติปัญญาไปสถานที่ใดก็จะต้องขาดทุนสุญกําไรเรื่อยไปตาของเรามีให้ดูหูของเรามีให้ฟังจิตของเรามีให้คิดทีนี้พิ่เจนะอย่าไปถือเอาว่าจะดีเหมือนกันไปหมด ธรรมดาการเลือกเส้นครูอาจารย์เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเลือกเอาองค์ไหนที่จะเป็นครูบาอ า, าจารย์ของเราได้ในการสั่งหน้าต่างตาให้ธรรมะคําสอนเราต้องเลือกเอาคนทั่วไปไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมทางอิดได้อย่างนั้นก็จะไม่ขาดคุณฉุงกาไรเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ก็จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติมีปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อความสุขกายสบายใจคิดถึงการจะทําบําเพ็ญของตนเมื่อไรก็จะมีความเยือกเย็นเป็นสุขเมื่อนั้นเพราะเราได้ปฏิบัติตามคําแนะนําความสอนและครบครัวสมาคมศัพครูกับอาจารย์ที่ดีถ้าหากเราไม่เลือกอย่างนั้นไม่เป็นท่าเสียเวลา ที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เสียพบเสียสาตเขาอยู่ในโลกเขายังเลือกคัดจัดหาจะปลูกบ้านเขาก็หาสถานที่เหมือนกันจะท่าขายเขาต้องหาสถานที่เหมาะสมจะแต่งงานเขาก็เลือกเอาคนจี่ควรแต่งไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงก็เอากันไปหมดเป็นผู้ชายก็เอากันไปหมดต้องเลือกคัดจัดสรรหา แต่ถึงกันนั้นก็ยังพลาดถ่าไปบางท่านบางคนเหตนั้นเราการหาครูบาอาจารย์จึงเป็นของสาคัญที่พวกเราท่านเป็นนักศึกษาเป็นนักสะพึดปฏิบัติจะหาครูบาอาจารย์ที่สาคัญมาเป็นครูบาอาจารย์พวกเราและหาสถานที่เหมาะสมในการระพึดปฏิบัติไม่ใช่ว่าวัดก็จะอยู่กันไปเป็นอย่างไรไม่คานึงคนวนถึง ถ้าอย่างนั้นขาดทุนสูญกาไรวันนี้หมดไปจะหาขึ้นมาใหม่ในเด็หมดไปหมดไปวันหมดไปปีเดือนหมดไปปีหมดไปอายุของเราใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกทีทุกทีทกทถ้าหากเราไม่ตั้งหน้าประพฤติคุณงามความดีคำนึงคำนวณถึงที่เราผ่านมาไม่มีสาระประโยชน์อะไรเรากดตับจบเสียใจให้ตัวของตัวเองเหตุนั้นถ้าหากเราท่าน ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีจริงจังถึงจิตของเรายังไม่หยั่งถึงดีมุติที่สุดของพระธรรมยีในสวอตามคิดถึงคุณงามความดีวันนี้เราได้กราบได้ว่ายได้สาทยายสวดมนต์ไหว้พระได้เดินโยกมภฑวนาจิตใจของเราวันนี้สว่างสวัยอย่างนั้นลงรวมอย่างนั้นสติปัญญาหรือวิชาความรู้ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราระเลิกนึกถึงเจียงแข่นั้นเนี่ยก็ยังมีความเยือกเย็น ภายในจิตในใจของตนนับวันที่จะเป็นสมณะคือความสงบระงับเข้าไปทุกทีทุกทีจนเป็นมหาสมณะคือสงบทุกการทุกเวลาสงบทั้งการไปการมาการผูดการคิดไม่มีอะไรที่จะไปทําลายสมณะคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตได้ส่วนกิริยามารยาททางกายทางใจกิเลสชายต า, า, ามสมมติก็เป็นเรื่องอันหนึ่ง จะจับผิดจับถูกไม่ได้ถ้าหากท่านไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นอย่างนั้นกจริยามราร ย, ยาทซึ่งสาวกทั่วไปทา่านกาวว่าละนิสัยไม่ได้ละวาสนานสไม่ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าจริยาที่เคยเป็นมาอย่างไรซึ่งไม่ไมผิดในพระธรรมวินัยท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็จะต้องประพริษปฏิบัติอยู่อย่างนั้ น, านาก า, นารพูกด่าปาลาใส่จริยามารยาทผ่านทางไม่ สวยสดงดงามเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพละนิสัยและวาสนาดา่ส่วนสาวกทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นบริสุทธิ์แต่การบริสุทธิ์เสมอกันกับพระพุทธเจ้าส่วนกิริยามารา ย, ยาทหรือเนิสัรวาสนาจิดกันเป็นไปตามเรื่องของท่านที่เคยสะสมเอามาแต่พวกเก่าซาตกก่อนเหตดนั้นท่านจึงว่าเรื่องของบุญ เรื่องพระวจนะนิสัยสาวกละไม่ได้ส่วนที่เหลือตัณหาละได้เรื่องนิสัยละไม่ได้เคยพูดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ที่ท่านพูดไปไม่ทํำไปไม่เป็นการที่จิตจะทํานี่ไงแต่ไม่เป็นหน้าเลื่อมใสของบุคคลบางจําพวกก็มีพระพุทธเจ้าท่านดีทุกเส้นทุกส่วนคน เ ย, ย็นก็เกิดความเลื่อมใสคนได้ยินก็เกิดความพอใจเป็นเสน่ห์ทั่วไปสําหรับพระพุทธเจ้ารูปของพระองค์ก็สวยสดงดงามเสมมีสยงของพระองค์ก็ไพเราะศิลป์ยามารยาทุกสิ่งทุกส่วนนําความเชื่อความเลื่อมใสให้แก่บคุคคลได้ทั่วไปเหตุนั้นท่านจึงโปรดสั่นโลกได้มากส่วนครูบาอาจารย์หรือสาวกไม่เป็นอย่างนั้นบางท่านบางองค์ก็มีศิลป์ยาม ได้ต่างๆนานาแต่ไปสอบสืบถึงความบริสุทธิ์ของท่านศึกษาทางจิตทางด้านปฏิบัติท่านจะแนะนําความสอนให้เราคิริยาของท่านซึงไม่เป็นของสาําคัญเหมือนเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านถ้าหากเราไปมองเห็นเขาคิริยาอย่างนี้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเลื่อมใสเราไม่เข้าไปศึกษาไม่หาความรู้จากท่นานก็ไม่รู้จักว่าท่านนี้ รสชาดเป็นอย่างไรเหมือนกับผลละไม้เป็นบางอย่างอย่างผู้เรียนอย่างนี้ี่ยทางนอกมันเป็นหนามไม่น่าดูแต่ทางในมันรสโอดเอมโอชาติดจันกับลูกมะเดือ่อซึ่งภายนอกแดงสุกใสงามตาเรามองเห็นก็ขเข้าใจว่าจะมีรส อ, ร, อร่อยหวานแต่ได้ดื่มไปกินเขา้ารสชาดมันเป็นชาต กันอย่างนั้นนิจิยามารยาติของพระที่ศุสามะเนร์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางองค์จิจิยามายาทเรียบร้อยน่าดูน่าชมแต่ไปศึกษาธรรมะด้านภายในท่านไม่เข้าใจท่านไม่รู้ไม่สลับแต่จิจิยามารยาของบางท่านบางองค์ไม่น่าดูน่าชมแต่เมื่อเราไปศึกษาธรรมะด้านภายในคือด้านจิตด้านใจที่เรา ปฏิบัติปฏิบัติเราจะเอาประหลอดของเราคือาาการปฏิบัตินี่แหละไปวัดดูเรื่องจิตใจของท่านได้ว่าท่านเป็นหน้าเรื่องใสน่ายินดีขนาดไหนจินยามาะรอย่างจริงไม่จริงของสําคัญเหมือนกันกับผลไมากถ้ารถภายในดีมีราคาภายนอกไปข้องไข่เป็นปัญหาแตกเท่าไรดอกไม้ก็เหมือนกันถ้ากลิ่น ม, มันพร้อม ถึงดอกมันจะไม่สวยสีมันจะไม่สวยกว่อตามคนก็ยอมนำมาปลูกเพราะอาศัยกลิ่นของมันถ้าดอกมันสวยกลิ่นมันเหมนคนก็ไม่ยอมยอมไม่ชอบเอามาปลูกเพราะเกลียดกลิ่นของมัน <Yeah. S 1> เหตดนั้นเรื่องการประบัติปฏิบัติภายในจิตในใจจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะอุตสาห์พยายามกาจัด ชั่วบำเพ็ญดีใครเกิดให้มีสึ่นเจนขี้เจนฐานถึงใครเขาจะไม่สนใจในเราต่อตามความดีในเราจะบอกตัวของเราพอใจในตัวของตัวเองจะไปสถานที่ใดหรือตายเมื่อไรจะถ้าพาร่างกายไปจะไม่มีการเสียใจถึงจะทุกข์ยากลําบากเรื่องภายนอกแต่ภายในของเราสมบูรณ์พูนสุขเรามีความเอือิ่มในความเป็นอยู่ของเราในการประพปฏิบัติ ของเราในจิตในใจของเราที่พ้นไปจากวัฏฏะสงสารเทวนั้นาการที่จะจะ ท, ทําบําเพ็ญได้ก็โอกาสเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ป่ะพบหน้าชาติหน้าถึงค่อยจะประเพริศปฏิบัติก็เอาคนเก่านี่แหละจะไปพบหน้าชาติหน้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีวิชาความรู้ไม่อุตส่าห์พยายามในชาตินี้ชาติหน้าใครเล่าจะไปช่วยเหลือเรา ของเราช่วยตัวของเราเองใจหิอตัตโนนาโถตนเองเป็นที่พึงของตนไม่ใส่คนอื่นคนอื่นเป็นอุปกรณ์เท่านั้นครูบาอาจารย์ก็เป็นอุปกรณ์สาําคัญที่จะเน้นสอนให้เราสะพืดปฏิบัติถ้าเราไม่สะพืดปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์จะมีเด่นขนานดนไหนก็าตามก็เป็นไปไม่ได้จึงว่าการสะพืดปฏิบัติตนของตนเป็นของสําคัญเป็นที่พึ่งได้สาําคัญจะพึ่งคนอื่น ก็พึ่งได้เป็นการเ ป, าเป็นบางการบางสมัยส่วนเพึ่งตัวข้องตัวจะพึ่งอยู่ทุกวันทุกเวลาอุตส่าห์พยายามจะ่ทำจริงจริงจังจังจนตัวข้องตัวเป็นผู้สืงของตัวได้คนนั้นแหละจะมีความสุขความสบายจะอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นสง่าราศีมีความเอื้ออิ่มยินดีในตัวข้องตัวเหตุนั้นาการสะทึกปฏิบัติทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะให้เป็นสมณะที่จะเห็นสมาณะานันจากทัศนังซึ่งเห็นสมณะภายในคือใจของเราสงบระ ง, งับดับที่เดืดได้ทุกการทุกสมัยก็ อ, อาศัยกา ร, ป, รปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์หรือท่านองค์อื่นคนอื่นจะมาทําให้เกิดสิ่นภายในใจของเนถ้าหากเราทําได้เห็นสมณะภายใน คือใจของเราสงบระงับดับที่เลยดได้ทุกการทุกสมัยเราจะเป็นผู้ดีวิเศษเป็นมงคลอันไตรเสรฐสูงสุดแก่ตนของตนเศษนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนจงนำเอาสมณะภายในคือใจิตใจสงบสงัดไปประพฤติปฏิบัติให้ไบพบสมณะอย่างนั้นทุกการทุกเวลาหากพวกเราท่านทัน้ ง, ทงหลายอุตสาห์พยายาม จะทําตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อความเดือดเดมีความเพียรทางกายทางใจสมณะส่วนนั้นก็จะไม่เหลือมีสัยเพราะพวกเราท่านทั้งหลายเหตุนั้นการอธิบายธรรมะวันนี้ถ้าหาจารอธิบายไปมากก็เห็นว่าผู้ฟังจะมีการเหน็ดเหนื่อยในอวาสานการอธิบายธรรมนี้ขอ คุณพระศรีราัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในชาติคนและโลกจงมาคุ้มครองก้องปกพวกท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจปราถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมากปราถนาทุกสิ่งทุกประการดังรับประทานนีต่เนามาพอเห็นบ่าท้งควรเจรเวลามีเลวัง